ตระกูลเศรษฐีไปอยู่กับกรุงสวัรถีด้วยเธอค่ะพระเจ้าพิมพ์ิสารก็เออเอาประกาศใครจะไปอยู่กับพระเจ้าประเสริฐติโกศลจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างค่ะพระนิสุกเมตตกะเศรษฐีก็ไปป่ะกอไปแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองสาเกตตั้งลกลากขึ้นมาห่างจากกรุงสวัรถีไม่มาก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 ถ้าแขนหักขึ้นไปแล้วจะไปสู่ตระกูล อ, อสามีหรือจะไปสู่ตระกูลผัวล่ะใครเขาจะยอมรับไหมเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังต้องรักษาตัวเองให้ดีที่สุด อ, อในขณะนี้นะเพราะฉนั้นข้าพรเจ้าจึงไม่วิ่งผ้าเปียกไม่เป็นไรตากตา ก, ตากมันก็แห้งเองอีกสักวันเหนึ่งก็แห้งอยู่แล้วล่ะฝนตกเพียงแค่นี้ไปกลัวมันอะไร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 เอาเป็นตัวอย่างนั่นคือบันริตนักปราชญ์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนั่นแหละถ้ากีมา่มอเตอร์ไซค์หัวนกเพิ่นลงไปขาหักแขนหักมันไม่คุ้มค่าขันนะลูกหลานนะเสียตลอดทั้งชาติเลยถเถอะนีเรีกว่าชาติเกิดชาตินั้นแปลว่าเสียเสียทั้งชาติเลยทั้งที่จะประกอบคุณงามความดีทั้งที่จ ะ, ะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจมีแต่รักษาสุขภาพ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 ให้อยูออ่อยู่ต่อไปต่อไปก็เห็นความแก่ของตนเองเออพออยู่ไปก็เดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นผมขาวแล้วก็เห็นตาฝ้าฟางฟางแล้วก็เห็นหูตึงแล้วก็เห็นหนังเหี่ยวผลในสูตรก็ได้ใช้ไม้เท้าหลยทำไมตายง่ายทีนี่นี่แหละถึงจะเลี้ยงดิบดีขนาดไหนก็เถอะปัจจัยสี่เลี้ยงร่างกายผลี่สูตรก็แก่ เ, เจ็บ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 ติดตัวมาไม่มีแแบเบาจากนั้นพ่อแม่ก็ประคบประงมในการเลี้ยงดูจนมาถึงใหญ่ถึงขนาดนี้เมื่อใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราควรจะลึำลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงดูเรามาเนี่แหละได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบให้ตอบแทนะ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 ท่านไม่ได้ต้องการอะไรมากต้องการน้ำใจจากลูกๆทุกคนนี่เราขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละลําลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกระคุณพ่อแม่เป็นพระรหันของบุตรการพูดถึงขนาดนั้นนะแต่บางคนก็มาถามหลวงพ่อเลยเอ๊ะมันจะไม่เกินไปหรือหลวงพ่อพ่อแม่ของเราเป็นพระหันเอ้ยเราจะไปคิดโง่อย่างนั้นสิ